เรื่องนาบคันให้ร้อนหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงมีคันบอกภิกษุที่นางอุปกระทำว่าถ้าคุณเจ้าโปรดหายาทําแท่ให้ด้วยเถิดภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงเธอจงนาบคันให้ร้อนนางหน้าคันให้ร้อนจนแท่งบุตรภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องมาบัดปาดราชิกหหรือนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ รองตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาาัานปาราชิกวงเล็บเรื่องที่ห6